เรามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมาพบกันนั้นก็นําธรรมะคาสอนของพุทธเจ้ามาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังโดยมีข้าพเจ้าพระไพบุญพระภิปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโซกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พูดคุยท่านผู้ฟังเรามาพบกันในแต่ละวันเราก็จะนําเนื้อหาธรรมะที่เราได้อธิบายเป็นคําของพระพุทธเจ้าที่ทํากัน เลือกช่วงหรือเรื่องที่สําคัญสำคัญมามาเล่าให้ท่านฟังฟังในช่วงที่ผ่านมาเราได้พูดคุยถึงเรื่องของพุทธประวัตินะนําพุทธประวัติจากพระโอษฐ์มาให้ท่านฟังฟังหนังสือที่นํามาให้ฟัง น, น, นั้นก็เรียบรเรียงโดยท่านพุทธทาสอินทปัญโญท่านได้ทําไว้เมื่อหลายปีแล้วได้ทําการรวบรวมจากพระไตรปิฎก เลือกฉพาะส่วนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับประวัติของพระองค์เองจึงจะได้ขอสรุปเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติตรงนี้ว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาเป็นอย่างยิ่งใ น, นประวัติของสมมาสมุทธเจ้าในประวัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ทําความดีความงานในปัจจุบันนี้นะเราก็ยังเคยศึกษานันกการเมืองบางคนที่สําคัญ หรือวนักการศึกษาหรือว่าผู้นำห ล, หลายๆคนที่มีประวัติที่น่าสนใจเพระพุทธเจ้าของเรายิ่งกว่านั้นอีกเพราะเป็นบุคคลที่มีความสามารถมีความดีความงามแล้วก็มีความรู้ที่บอกสอนเราได้หลายอย่างการศึกษาเพื่อประวัตินั้นนอกจากจะทําให้เรารู้ประวัติของสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังทําให้เราได้เนื้อหาธรรมะอีกหลายอย่างด้วย วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆดังที่พระเจ้าได้เคยทําไว้อีกทั้ ง, งยังเป็นกําลังใจที่จะทําให้เรานั้นต่อสู้ฝ่าฟันกับเรื่องราวที่ไม่ดีดัที่เราเจอในชีวิตได้กําลังใจตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญต้งฟังทัางเพราะเป็นส่วนหนึ่งของสมาวายมะเป็นส่วนหนึ่งของการทําความเปลี่ยนแต่ถ้าในชีวิตของเรามีปัญหามีสิ่งที่อาจจะเป็นที่ขัดขวางเอาไว้ นะหรือว่ามีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นบ้างอันนี้ก็ธรรมดานะไม่ใช่ว่ า, าจะไม่มีใครเจอนะก็เจอกันทุกคนนะสมานสมุทิเจ้ายิ่งเจอมันหนักกว่านะต้องฝ่าฟันอดทนต่อสู้ปลิกแปลงนะใช้ปัญญาต่างๆมากมายนะรวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นถูกข้อว่าถูกข้อดา่านะมีปัญหากับกลุ่มคนนะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นกาลังใจ ในที่ทําให้เราฝ่าฟันในสถานการณ์ปัจจุบันในโลกปัจจุบันของเราได้เราด้วยจากการศึกษานี้จะทําให้ได้นิสงอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยมันยังทําให้เพิ่มปูนศรัทธาของเรานะศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะทุฝั่งสมัยก่อนตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้มีศรัทธาในคําสอนของพระเจ้าชนิดที่เรียกว่าจะต้องแบบบวชหรือว่าจะต้องอามารู้มา กราบพระรูปเจ้าหรือว่าจะต้องมาเรียนรู้คําสอนพระเจ้าจริงจริงจังเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีความศรัทธาระดับนั้นแต่พอเรามาศึกษาในประวัติของสมานสมหรับพรเจ้าศึกษาข้อวัดปฏิบัติศึกษาวิธีความคิดพระองค์คิดอย่างไรศึกษาวิธีการตอบปัญหาศึกษาวิธีแก้ไขสถานการณ์เนี่ยทำให้เรามีความศรัทธามากขึ้นมีความศรัทธาในบุคคลนี้ มีความศรัทธาในบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะที่สามารถที่จะมีความสามารถระดับนี้เนะี่ยซึ่งซึ่งมันหาไม่ได้ง่ายๆนะตัวเรานี่ความสามารถเปรียบเทียบเท่าพระองค์ไม่ได้เลยไม่ได้แม้หนึ่งใน16ส่วนด้วยนะเอาแตงโมมาผ่าออกส่วนสักนะเสี่ยวหนึง่งเราก็ยังไม่ได้เท่าของพระพเจ้าแตนะ่ถ้าเรามีผู้นําอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมีความลงใจและมีความมั่นใจ มีความลงใจมีความมั่นใจในกระบวนการมีความลงใจมีความมั่นใจในตัวบุคคลในวิธีการที่จะสามารถที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขพ้นจากความทุกข์นั้นได้การศึกษานี้ท่านผู้ฟังก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่คื อ, ค, อ, ค, อค่อยๆทําไปก็คือการศึกษาเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นลักษณะของไหลทะเลแต่ก็จะมีความลึกล้ําค่อยๆลาดลงไปลาดลงไปแต่เมื่อเราเดินจากชายหาดลงไปเรื่อยๆเนี่ย ใชยหาดมันก็จะค่อยๆเลื่อลงไปเลื่อลงไปหาดบางแสนหาดพัทยาก็จะเป็นลักษณะนั้นจะไม่แบบปุ๊บปั๊บเป็นเหว ล, ลงไปเลยมันอย่างนั้นจะจะไม่มีในประเทศไทยที่เราเราเจอเจอกันอยู่นี่เป็นความอาจจจัศจรรย์อย่างหนึ่งของธรรมะวิ น, นัยนี้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราจะพบคุ้มชับท่านบวชศรัทธาเนี่ยเป็นความมั่นใจใช่ที่จะทำให้เราสามารถ ต่อสู้ไปได้นะเมื่อเราจะมีศรัทธาแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆจะมาจะตามมานะมีศรัทธาแล้วก็จะมีความเพียรมีอ่สติมีสมาธิมีปัญญามีหิริมีโอตัปปะนะต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะตามมาพวกนี้คือคุมมรั์แต่กลุมมรัพ์ในที่นี้หมายถึงอริยรับนั่นเองหมายถึงอริยรัพ์ที่เราจะใช้ในการเดินทางท่นานผู้ฟังจะ เดินทางจากกรุงเทพมาอุดรธา น, นนะีหรือจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปสุวรรณภูลกต่างๆเนี่ยมันมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายขึ้นรถลงเรือถึงแม้คุณจะเดินคุณก็ต้องซื้อข้าวกินซื้อน้ํามีสเสบียงติดไปด้วยในะค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีหมดนั่นเะราจึงต้องมีเรียกว่าซับนะสําหรับเดินข้ามทางกันดานซับนี้เนี่ยรวมถึงอาหารสเสบียงนะค่าเดินทางค่าใช้จ่าย ขาทางด่วนขาน้ํามันโอ้ยสิบาทะนะต่อให้ขีเ้เถอะสิเบียงนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญในะอริยทรัพย์แนะในการที่เราจะใช้เดินข้ามทางกันดารทางกันดารในที่นี้หมายถึงสังสารวัตนี้นะั่นเองทางที่เราจะต้องเดินทางไปนั่นะคือสังสารวัตนะมันเดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันไม่จบไม่สิน้นเราจะทำไงให้ไปถึงที่สักที่หนึ่งนะเราจึงจะต้องหาฝั่งนะเข้าหาฝั่ง จะเดินไปถึงฝั่งได้องคุณจะต้องมีอริยทรัพย์นี้นั่นคือบุญนั่นแหละหนาเราศึกษาไปเรามีศรัทธามีความมั่นใจเนี่ยเมื่อเรามีความมั่นใจแล้วเราจะมีความที่มีความเพียรในการที่เ ร, ร, ราจะทำในเวลาที่เราจะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีกําลังใจขึ้นมามีความเพียรมีกําลังใจขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆในชีวิตที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างาเราค่อยๆ แก้ไขค่อยๆฝ่าฟันแตมันก็เหมือนกันทุกคนแม้ตัวรู้ชาเองก็เปรียบเทียบนะว่าตัวพระองค์เนี่ยเหมือนกับว่าเคยฝ่าขวากน้มมาดองหํามนะมันจะมีต้นไม้ที่มันเป็นมันจะมีเขาเรียกว่าหน้ำมันออกมาเนี่ยเป็นเหมือนกับเล็บแมวนะหรือว่ากับเล็บเสือเนี่ยนะมันเกี่ยวปุ๊บเนี่ยมันงอเข้ามาในตัวต้นมันเนี่ยเราไปติดมันปุ๊บมันจะเกี่ยวเราทันทีข้างบนก็มีน้ํา ข้างล่างก็มีน้ำซ้ายขวาหน้าหลังมีน้ำหมดเราจะหลุดจากพงน้ำตรงนี้ได้แล้วเราก็ค่อยๆปลดออกปลดทีละอันปลดทีละอันเล้วเราก็ค่อยๆมีสติสัมปชัญญะเดินฝ่ามาเนียจะปลดน้ำค่อยๆมีสติสัมปชัญญะเดินฝ่ามาในกำลังใจสำคัญใะปัญญาก็สำคัญในการมีสตินี่ยก็สำคัญมาก พวกนี้ก็จะเกิดมาจากการที่เรามีสต้ธธาได้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการศึกษานี้นะถ้ท่านผู้ฟังมีคําถามข้อสงสัยใ ด, ดก็สามารถติดต่อมาทางรายการได้นะโดยการนี้ก็จะเลือกเรื่องที่ท่านพุทธทาได้เรียบเรียงเอาไว้นะในจากประรัตบิดกนำมาเป็นชุดใน5เล่มที่เรียกว่าชุดจากพระโอษนะคืท่านพุทธทาได้รวบรวมพุทธประัติจากพระโอษไว้เล่มหนึ่ง นอกจากนี้ท่านก็ยังรวบรวมเรื่องของอริยสัจสี่ไว้ด้วยนะมันเนื้อหาเยอะมากก็เลยแบ่งเป็นสองเล่มนั่นคือเล่มสองเล่ม3านมะเรียกว่าอริยสัจจากพระโอษฐ์ทนะําทการดึงจากพระสูตรเนี่ยบางพระสูตรมันยาวมากถ้าฟังเป็นหลายๆ10 ห, หน้าเนี่ยท่านุทาสก็จะเลือกเฉพาะบางตอนบางส่วนนะพระสูตรนี้บทสนธนาคนนี้คุยไว้หลายเรื่องเลยเอาเรื่องที่เกี่ยวกับทุกข์มารวมกันไห้เรื่องนึง่งนะเกี่ยวกัขันห้ามารวมไว้ เกี่ยวกับความเกิดความแก่ความตายมารวมไว้ เ, เรื่องที่เกี่ยวกับตันหาน่นะจากพระสูตรนั้นจากเรื่องนี้เป็นคาถาตรงนี้นั่นะตรอธิบายภิกษุเอาไว้นะ่นคุยสนานากับท้าสกเทวราชพระอินนั่นะก็รวมมาในะาส่วนของเรื่องของตันหาน่นะเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับนิโรดนิพพานใช่ไหมอธิบายใครไว้น่นะคุยกับคนนั้นคนนี้ก็เอามารวมไวนะ้แล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับมรัก คนตายถึงความดับไม่เหลือของทุกขก็มารวบรวมไว้ในไดอารีสัตว์เล่มหนึ่งอรีสัตว์ในอารีสัตว์จากพระโอธ์นอกจากนี้ในระหว่างที่ท่านค้นคว้าเนือรูปรวมข้อมูลพวกนี้ก็ใช้เวลาเป็น 10-20 ปีนู่นนะในการที่จะรวบรวมออกมาปแปลตรงจากภาษาบาลีท่านปแปลเองสมนวนการปแปลนั้นก็งดงามถูกต้องตามหลักส่วนใหญ่แล้วก็เมื่อ ระหว่างการค้นควานั้นก็พบคําขนาบคําที่เหมือนกับว่าที่จะขนาบภิกษุนะให้ตั้งอยู่ในความดีความงามมีความกลัวความลายต่อ บ, บาปแล้วก็รวบรวมมาอีกเล่มหนึ่งเรียกว่าเล่มกลุ่มทรัพจากพระโอษฐนะ์มีทั้งส่วนที่เป็นคําขนาบแล้วก็คําวิงวอนที่เชิญชวนให้ภิกษุนั้นทําดีนอกจากนี้ท่านอีกเล่มหนึ่งเล่มที่5ที่ท่านรวบรวมไว้ก็คือเรื่องของปฏิจจสมุ ป, ปาทิ์นะั่นคือธรรมที่อาศัยการละกันเกิดขึ้น เนื้อหาต่างๆก็เอามาจากหนังสือ5้าเล่มนี้เป็นหลักเราก็ยังจะมีอีกหลายพระสูตรที่ยังอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ที่ไม่ได้อยู่ใน5้าเล่มนี้เราก็นํามาพูดคุยนันเป็นประเด็นให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยในการอธิบายนั้นเราก็จะใช้อาจจะมีการเทียบเคียงกับพระสูตรอื่นบ้างนะหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ข้าพเจ้าพบเจอบ้างแต่ซึ่งการอธิบายตรงนี้ท่านฟังก็ต้องอฟังดนะูหมายความว่า ฟังเนี่ยเพื่อที่จะหาส่วนที่เหมือนกับสิ่งที่เป็นปุทธวชนะเล้วการที่ผู้ฟังเนี่ยสนใจในการที่จะศึกษาธรรมะที่เป็นคําสอนของพระเจ้าเนี่ยก็ยิ่งจะทําให้พระธรรมตั้งอยู่ได้นานเพราะว่าพระเจ้าบอกไว้แล้วว่าถ้าเราขยันศึกษาไม่เลิกร้างจากการหลีกเล่นนะเก็เป็นผู้ที่หนักแน่นรับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้พระธรรมตั้งอยู่ได้ตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังมี ข้อเสนอแนะข้อติดเตียนใดๆนะเราก็ก็ส่งมาได้เราก็ยินดีรับฟังทีนี้ในเมื่อวานนี้เราได้ให้ท่านฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาวาจาบางส่วนก็เลยจะใช้เวลาในที่นี้ในการอธิบายเรื่องของสัมมาวาจาสัมมาวาจาที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ก็มีทั้งหมด4อย่างอันะแรกคือการไม่กล่าวคำไม่กล่าวคําที่เป็นคําพูดเท็จนะเรียกมุสาวาท นหลายหลายท่านนี่ยสมาทานศีลจากพระสงฆนะ์มุสาวาทาเวรมณีใช่ไหมสิกขาประทังสมาธิยามิในลักษณะของมุสาวาทที่ได้อธิบายไว้นั้นก็คือเป็นคนที่พูดคําจริงรักษาคําสัตว์มั่นคงในคําพูดและมีคําพูดที่เชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกตรงนี้ก็คือว่าเราไม่พูดเท็จนั่นเองการพูดเท็จเนี่ยลักษณะที่จะเข้าข่ายการพูดเท็จก็คือว่าเห็นแล้วบอกว่าไม่เห็น หรือว่าได้ยินบอกว่าไม่ได้ยินได้สัมผัสบอกว่าไม่ได้สัมผัสหรือว่าไม่เห็นบอกว่าเห็นอย่างนี้อันนี้คือโกหกแน่นอนเป็นการแกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกโลกในที่นี้ก็คือหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่คุณเห็นคุณบอกไม่เห็นคุณไม่เห็นคุณบอกเห็นคุณรู้คุณบอกไม่รู้คุณไม่รู้คุณบอกรู้อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทีนี้สถานการณ์บางทีมันเปลี่ยนแปลงไปสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป คำสัญญาบางอย่างเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยพระเจ้าใช้คําว่ามีคําพูดที่ควรเชื่อถือไดนะ้มั่นคงในคําพูดก็นะคือว่าสิ่งไรที่เราพูดไปแล้วนะเราก็พยายามที่จะรักษาคํานั้นด้วยนะคำมั่นสัญญาบางอย่างเราให้ไว้กนะ็ควรจะรักษาสิ่งนั้นนะเพราะว่าการที่พระจ้าอธิบายถึงคําว่ามีคําพูดควรเชื่อถือได้แล้วนะก็มั่นคงในคําพูดอันนี้คือหมายว่าสิ่ง dicho, ไรที่เราพูดไปแล้วให้คำมั่นสัญญาไป เราก็พยายามที่จะรักษาให้ได้แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นผิดหลักของคําพูดไหมนะคือหมายความว่าถ้าจะเป็นเรื่องโกหกไหมสมมติว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถรักษาสัญญาได้หรือว่าบางทีสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปทําให้การตัดสินบางอย่างหรือสิ่งบางอย่างที่สัญญาไว้มันไม่สามารถทําได้อย่างนี้อันนี้ก็จะเรียกว่าผิดครึ่งหนึ่งจ ะ, จะพูดอย่างนั้นก็ไดนะ้เพราะว่าส่วนอีกส่วนหนึ่งของ มุสาวาดเนี่ยคือการไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกลไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกก็อย่างที่อธิบายตอนแรกไปแต่แล้มันก็ต้องมี2 ส, ส่วนนะส่วนส่วนนี้ด้วยที่ว่าเราจะต้องมาคอยดูเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าสัญญาบางอย่างเราไม่ได้สามารถรักษาได้ก็คงต้องทําความเข้าใจตกลงกันนะอย่างไรก็เรียกว่าเป็นความด่างความร้อยของศีลในข้อนี้มุสาวาดเนี่ยถ้าเราบอกความจริงไม่หมดเนี่ย ก็ยังไม่เข้าข่ายของมุสาวาตนะคือการไม่พูดกับการพูดโกหกเนี่ยมันคนละประเด็นกันนะนฟังนะคือบางทีเราเรารู้เราบอกว่าไม่รู้ใช่หมอันนี้ผิดแน่นอนแต่ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ได้พูดแล้วเราไม่ได้พูดว่าเรารู้หรือไม่รู้ก็จะไม่ได้เข้าข่ายข้อนีนะ้อันนี้ก็จึงต้องมีความระวัตรระวังในคำพูดด้วยนะ่อนฟังว่าเราจะรักษาสีนข้อนี้เนี่ยเราก็ทาให้เป็นปกตนะิคือหมายความว่าบางทีบา ง, อ ย, างอย่างเช่นว่า าการป่วยของคนไข้อย่างเงี้ยบอกไปเขาจะเสียใจนเนี่ยเาจะมีความอาการซุดลงแต่เราไม่ต้องพูดก็ได้เราหลีกเลี่ยงไปพูดเรื่องอื่ น, นเนีก็จะไม่ผิดเรื่องของมุสาวาทในอีกข้อหนึ่งในเรื่องของสัมมาวาจานั้นก็ได้ตรัสถึงการที่ไม่แกล้งไม่กล่าววาจาสอ่อเสียดนะคําว่าสอ่อเสียดเนี่ยหมายความว่ายุบโยงให้แตกกันนะถ้าบางคนอาจจะเข้าใจคําว่าซับซ้อมากกว่าด้วย การพูดสับสอเนี่ยคือการพูดยุให้คนเขาแตกกัน e พูดสับสอพูดสอเสียดอย่างนี้มีความหมายเดียวกันกับคำว่าพูดยุยงให้แตกกันเอาความกว้างนี้มาบอกข้างโน้นเอาความข้างโน้นมาบอกข้างนี้เราอย่าไปทําอย่างนั้นอย่าทําอย่างนั้นแต่ถ้าแปลวา่าให้มีความสมัครสมานสามมิตรกันพูดกันเนี่ยให้อุดหนุนคนที่พร้อมเปลียงกันให้มันพร้อมเปลี่ยนกันยิ่งขึ้นแล้วก็ ไม่ให้เขาแตกการไอข้อมูลใดๆที่พูดไปแล้วเขาจะไม่สบายใจนะเราก็อย่าพูดเวลาพูดไปเนี่ยก็ทําให้คนเขาสมัครสมานสามัคคีกันนะแน่นอนว่าไอเรื่องที่พูดไปนั้นก็ต้องไม่เป็นเรื่องเท็จนะเป็นความจริงนะเราก็เป็นคนเป็นกว่าจาที่เชื่อถือได้นะเราก็เป็นคนที่มีความพร้อมเรีย่ยนนะพูดจาให้มันสนับสนุนความที่ให้มีสันติสุขนะสนับสนุนให้ความที่ให้ทุกคนสามัคคีกันอันะนี้ถึงจะถูก นะถ้าพูดจาแล้วแตหคนนี้มันจะแตกกันเนี่ยเราอย่าไปพูดลักษณะนั้นอันนี้จะเป็นบาปเป็นกรรมด้วยอันถัดมาเราก็ได้พูดถึงเรื่องการกล่าวคำหยาบท่านพรเจ้าบอกว่าการกล่าวคำห ย, นะยาบนี้ไม่ดีแลนะการกล่าวคำหยาบเนี่ยยังรวมถึงคำที่เป็นพูดแล้วเนี่ยจะทาให้เคลื่อนออกจากสมาธิจะทาให้เขาไม่สบายใจนะเป็นคำที่เป็นคำหยาบบ้างเป็นคาที่จะทาให สมาธิเนี่ยมันมันหลุดออกไปจากสมาธิดังนั้นรูปแบบการใช้ภาษาก็ส่วนหนึ่งสมัยบางคนใช้ภาษาสะละดสะลวยในแต่คําพูดเนี่ยมันบาดลึกนะเราก็ทําให้เราแบบเก็บเคียดแครนนะเราก็จิตแตกไม่เป็นสมาธิอันนี้ก็เข้าข่ายของพุทธวาทคือคําหยาบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดจาเนี่ยก็พูดจาที่ให้เกิดความรักความภูใจและแน่นอนคํานี้จะต้องเป็นคําที่ไม่โกหกด้วย เป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันถัดมาข้อที่4ในเรื่องของสมาบจานั้นคือการเว้นขาดจากการพูดเพอเจอร์การพูดเพอเจอเนี่ยคือการพูดที่ไม่มีประโยชน์พูดโปรยประโยชน์ทิ้งเสียพูดไม่มีที่อ้างอิงบางทีคุณพูดเรื่องขึ้นมาไม่มีที่อ้างอิงพูดมาเพื่อตลกปล่อยโมกอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นความจริงอันนี้ถือว่าพูดเพอเจอร์ละแล้วก็คําพูดที่ไม่เพอร์เจอเนี่ย คือต้องมีที่อ้างอิงนะเป็นความจริงแหละแน่นอนใช่ไหมเป็นประโยชน์ด้วยนะไม่ได้ว่าทพูดปล่อยประโยชน์ทิ้งเสียนะทีนี้ไอ้คาพูดมีประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นความจริงเนี่ยมีหลักฐานที่อ้างอิงนะมีเวลาเริ่มเวลาจบนะสมควรเก่บเวลานี่อาจจะเป็นเรื่องที่ตลกก็ได้นะก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นบางทีบางคนอากจะคิดว่าอ้าวถ้าไม่พูดเพิรเจอร์แล้วจะปล่อยมุกตลกได้ยังไงอันนี้มันคนละประเด็นกันนะบางทีเรา พูดไม่เพอเจอร์แต่เป็นเรื่องที่ตลกก็มีนะเราก็ค่อยศึกษาในการที่จะทําตรงนี้เอาสอย่างนี้คือเรื่องของสมาวาจาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติแต่บางทีพระุทธเาเนี่ยเอาศี่หเนี่ยนะเอาข้อที่5ออกนะคือการที่ไม่ดื่มสุราเมรัยเนี่ยแล้วก็เอา3ข้อของสมาวาจานะใส่เข้าไปแทนนะก็คือมีสมาวาจา4ข้อเลยนะคือตั้งแต่ไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพอเจอร์ในร่วมก่าอีก3ข้อแรกนะก็เป็นศีลอีกในยัดหนึเหมือนกันดังนะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าสัมมาวาจาเนี่ยก็เป็นในระดับของศีลหนะ้าอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องได้เหมือนกันดังนะนั้นเวลาที่เราฝึกในการที่จะรักษาความเป็นปกติเนี่ยก็รวบรวมขอบข่ายถึงเรื่องของสัมมาวาจาด้วยนะแล้วก็ทํามันอยู่ให้เป็นประจําได้โปรฟัง การกระทํากรรมทางวาจาเนี่ยบางทีมันง่ายคือเราไม่ต้องพูดถึงการฆ่าสัตว์ก็ได้นะคือการฆ่าสัตว์เนี่ยบางคนหลายหลายคนทําได้แล้วหลายหลายคนก็มีปกติอย่างนั้นแล้วถ้าเผื่อว่าเรื่องของวาจาจะต้องระวังเพิ่มเติมแต่คือเรื่องของใจเนี่ยบางทีมันคิดวบคิดแวบไปมันคุมได้ยากกว่าวาจาจะคุมได้ง่ายขึ้นเพราะมันจะต้องมีการขยับปากกายก็ยังคุมได้ง่ายบางคนจะมีลักษณะงนั้น เราก็ค่อยทําการศึกษาในการที่จะควบคุมกายควบคุมวาจาของเราในห้อยู่ในขอบเขตเรื่องของสัมมาวาจาเนี่ยผู้เช่าก็ได้ตรัสไว้หลายอย่างนะรวมถึงการวาจาที่เป็นสุภาษิตด้วยบางทีเราก็ต้องกล่าวคําสัตว์คำอ่อนหวานนะคําที่ประโยชน์ด้วยประโยชน์นะกล่าวคําที่มีเมตตาจิตนะกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ฟังฟังแล้วจะยินดนะีตรงนี้อย่างไรก็ตาม การพูดเนี่ยก็ต้องเป็นคําจริงแะเป็นประโยชน์นถึงจะเรียกว่าถูกต้องดีงามอีกประการหนึ่งที่สําคัญที่ได้ให้ท่านผู้ฟังฟังคำปรึกษาเมื่อตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของการวาจาที่เป็นสัตว์บุรุษกับของอสัตว์บุรตรคือคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยเราจะดูจากการพูดของเขาได้เหมือนกันคนดีคนไม่ดีคนดีเนี่ยมักพูดเรื่องดีๆคนไม่ดีก็จะมักพูดเรื่องที่ไม่ดี ผู้เดงชั่วๆนะเราจะดีดูว่าดีดูว่าชั่วดูยังไงนะดูได้สประการนะแบ่งเป็น2อย่างนะเอาคนไม่ดีกันคนไม่ดีเนี่ยเวลาเขาดูที่เขาพูด4อย่างดูยังไงนะดูเวลาที่เขาพูดเรื่องของตัวเองก่อนกับดูเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องคนอื่นนะสี่อย่างดู4อย่างนี้นะแบ่งเป็น2ส่วนนะพูดเรื่องตัวเองส่วนหนึ่งพูดเรื่องคนอื่นสองส่วนในเวลาที่เขาพูดเรื่องคนอื่นก่อนแต่ถ้าถ้าเขา พูดเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นแล <ao S 1> แ้วก็ไม่เอาเรื่องที่ดีของคนอื่นเนี่ยมาพูดอันนี้เข้าข่ายละดูซิว่าเขาเริ่มจะเป็นคนไม่ดีนะแล้วส่วนที่บอกว่าพูดเรื่องตัวเอง่ถ้าเขาพูดแต่เรื่องดีๆของตัวเองเราไม่พูดเรื่องที่ตัวเองไม่ดีเลยเนี่ยอันนี้เข้าข่ายละเขาเป็นคนไม่ดีแเราดูคนไม่ดีเนี่ยเราดูอย่างนี้คือดูเวลาที่เขาพูดเรื่องตัวเองกับพูดเรื่องคนอื่นเรื่องตัวเองดูยังไง ก็ดูตรงที่ว่าเขาจะพูดแต่เร no uh uh uh MM uh ื่องดีๆของตัวเองไม่พูดเรื่องชั uh ่วของตัวเองนะเรื่องคนอื่นล่ะก็คือพูดแต่เรื่องชั่วๆของคนอื่นไม่พูดเรื่องดีๆของคนอื่นเลยนี่เขาขายว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะส่วนคนดีเขาพูดกันยังไงก็ดูในที่สองส่วนเหมือนกันนะดูเวลาที่เขาพูดเนี่ยเรื่องตัวเองเขาพูดอะไรแต่พูดเรื่องคนอื่นกขาพูดอะไรนะพูดเรื่องคนอื่นเนี่ยเขาพูดเรื่องดีๆของคนอื่นนะแล้วเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเขาไม่พูดพูดนิดเดียว อันนี้เข้าขายว่าเป็นคนดีนะแล้วก็เวลาเขาพูดเรื่องตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ได้ยกยอตัวเองยกยอ่องตัวเองว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะแต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีของตัวเองเนี่ยเอามาเปิดเผยนะเอามาพูดถึงเอ GOOD ออันนี้เข้าขายว่าเป็นคนดีนะเราจะดูว่าคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยเราก็ดูได้2 ส, ส่วนนี้นะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องของคนดีนะคนดีเนี่ยเราดูที่เขาพูดได้นะส่วนที่เขาพูดเกี่ยวกับคนอื่นกับส่วนที่เขาพูดเกี่ยวกั บ, กบตัวเอง ถ้าส่วนที่เขาพูดเกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยมีแต่ข้อดีของคนอื่นข้อไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเขาไม่พ <kys! S 1> ูดหรือพูดนิดเดียวเออนนี้เข้าข่ายว่าเขาเป็นคนดนะีส่วนที่เขาพูดเกี่ยวกับตัวเองเป็นยังไงเราดูแต่ถ้าเขาไม่พูดข้อดีของตัวเองเลย ย, ยกย่องตัวเองมีน้อยส่วนใหญ่จะพูดเรื่องข้อไม่ดีของตัวเองเออนนี้เข้าข่ายว่าเขาเป็นคนดีแต่ ois? เราก็ดูคนดีคนไม่ดีจากวาจาของเขาได้ ในเรื่องของการพูดนั้นก็ยังมีแง่มุมอีกหลายอย่างที่ว่าถ้าเริ่มฟังมีคำถามข้อสงสยัยใดๆก็สามารถเขียนกันมาได้แล้วโดยส่งจดหมายมาที่ เ, เลขที่1หมู่แปดตําบลดอนไฮโศกอาเภอหนองหันจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ศหนึ่แต่วันนี้ข้าพเจ้าพระพิบูญนภิปุญโนจากวัดป่า ด, ดอนไฮโศก็ข อ, ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจตุรพัน